หลวงพ่อสันยังหันแล้วหลวงพ่อจะไปน้ำโสมพ น, นัดสิบโมงนัดสิบโมงเช้าพนจะไปให้นิมนต์ไปเทศผู้ที่จะเป็นนายกบริหารท้องทินอำเภอ น, น้ำโสมวันที่ถ้าอะไรวันที่ยี่สิบบนคัดเลือกกันบานในี้ยพนจะให้พระไปเบ่าชซอย บให้มีเรื่องสื่อชิดคลายเสียงมึงสั่นละก็หน่ะไปหลงพ่อโอ้ยเอาพาเขาไปหยู่งน้ําการบ้านการเมืองทองทินมันแมนบอลูกล้านได้หวะโอ้คันหลงพ่อลงปูหลงตาบอบอกว่าเจ้าจะหาไปเบอกว่าจะไหนกระยูนนํากันมันจะไหนแต่สีคือคือข่วมเขาโยนมาไปพระกับโยมกับทองทินมันก็คือกันครับ บา่าอยู่ในของเดียวกันมันเลยอยู่ในกงเดียวกันถ้าว่าเดือดร้อนมันก็ต้องเดือดร้อนน้ากันการว่า ม, มีความล่มเย็นเป็นซุกก็บลมเย็นเป็นซุกร่วมกันเพราะนั้นทุกคนในอยู่อยู่ในทองทินก็ต้องหาทางออกร่วมกันคือกันบรมติภะเกิดเอ้ยขาบ อ, อยุงเกิดกับแมนยูกดกติกาเขาบ อ, อยุง คาราวาดเขา ป, ปรหยุงบุได้จว่าสื่อเจ็ดคายเสียงหแล้วไปโคน่นชนซอยหยาิซอยโ ย, ยมเลยสิซอยพุนันซอยพุนีสิเออเนะี่ยมันเป็นกดของเขาแต่ว่ากดที่จะให้พูดมันก็ต้องมีกดจะให้พูดเออลูกหลานสุ ข, ขูทุ ข, ข้อนเนอะผู้ที่ลงสมักอายุในกฎกติกาเนอะให้มีศีลมีธรรมเนะอย่าไปถล่มกันเนอะอย่าไปครับใส่ลายป่ายสีกันเนะ กันเอคือพระสงฆ์องค์เจ้าพร้อมที่จะเบาได้คนเขาก็ยะให้เบาในจุด น, น, น, น, นี้ก็มั่งตอนนี้มโนลดงพ่อไปเมือ่อนี่คนไปหลวงพ่อก็เลยอ้าับก็รับหลวงพ่อกขาคงจะได้ไปเบากับคณะกรรมการบริหารท้องถิน่นจะมีการเลือกสอท่อแล้วก็ไม่เลือกนายกพร้อมเหมืน ตามไม่จริงกันอยู่ร่วมกันอยู่ในโลกใบนี่บางคนก็เอารัดเอาเปรียบกันบางคนก็เอารัดเอาเปรียบในมูเดียวกันบางคนก็เอารัดเอาเปรียบในต่างเผ่าต่างเผ่าต่างพวกกันวันนี้ไปกันนะว่าเป็นพวกอื่นเลยไปว่ากินได้สบายเบียดเบียนได้สบาย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 มันกงหลอกกำกวียนบางที่กับพวกพลเวียดมาหากันมาเกิดไปเลยห่างกันไปยังเกิดมาชาตินี่พวกเข้ากมีเท่าไหรตระกูลพ่อมีเท่าไดกับตระกูลแม่มีเท่าไดรปู่ญาตา ย, าย่ายต่อไปกัลูกหลานเลนหล่อนของเข้าอีกมันสืบทอดไปต่างคนกับต่างมีญาติพี่นอ้องแต่และชาติชาติที่แลกก้วคือกันมาชาตินี่เหมือนกัน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 ระลึกชาติระลึกชาติผลหลังมากไหมเพื่อนจะได้ตัดคำนิยออกว่าเพื่อนเห็นอดีตแล้วก็มองในอนาคตอดีตเขว่าอุปเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติผลหลังมองไปในอนาคตว่าจุดา ต, าาตูปปาปาตญาการทุติของสรพพะชั์การเกิดการตายของสัพพะชัด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 เป็นพญาลิ่งอยู่ในปา่าป่านี่ก็อยู่ในแม่น้ำขึ้นแม่น้ำโขงใช่ไหะแต่ก็คู่จะบอกกว่างไปในมันผันมีจระเข้อยู่หลายตัวอยูแต่ว่าพญาจระเข้ก็มีอยู่สองตัวกันไปตัวผูกตัวเมียจระเข้ก็มีคูขึนืนกันกันไปมาในต่อมา จ, จระเข้ตัวเมียเนี่ยนะมีลูกในท้องมีใครกันไปแพร่ท้อง แพ่ทองกับมา่ว้ากครับสามีของแฉนไปของจรลเคตโตปูบอกว่าฉันแพ่ทองอยากจะกินหัวใจลิงมาจะไหนเนี่ยพระเจ้าคือลิงตะลรนมากกินน้ำคือกันกับลิงบกโซห้าสมัยก่อนอาไปมันไปใสมันแสดงความองอาจกล้าหาญแสดงความพึงผาย ไปใส่ในหัวยกหางยกตลอดอมันมาไปกลับมูแล้วไปอันนี้พญานั่งแขกท่านอะไรก็อยากกินหัวใจริ่งตัวหนี้วะท่านใดท้งพญาแข่นี่ยกะมัวจะกินใดอย่างไหนมันเร่งมันฉลาดขึ้นยังนะสันโอ้เอาก็ใช้ปัญญานี่แไหมวะท่านใดเออเอาเดี๋ยวผมจะใส่ปัญญาปนะญญาแขกท่านใดก็เลยมานั่งคิดนอนคิดอยูพร่งนี้เ่วยกับเฉียดใด ข้นจะโกหกกว่าสันนิข้นจะขี่ตัวเลี่งตัวนีว่าสันนิหาทางออกอันี้เลี่ยงมันก็ลงไปกินน้ำในก่อนกี่หิ น, นี่แ่กันโพหัวขึ้นมาโอ้ไปย่าเลี่งไงว่าสันนิพวกเจ้าทั้งหลายกินแต่ผลไม้ทั้งพี่แต่เคยไปทั้งพุ่นหมล่ะฝากพุ่นไปฝากพุ่นโอ้มากไม่อุดมสมบูรณ์พวกข น, นุนพวกมะม่วงพวกอะไรโชกเต็มไปหมด ทังนี้พวกสุ้กเจ้ากินนะพีล่ลอยล่อไปหมดเลยค้านวพรท่านอยากจะไปข้าพระเจ้าที่ภาไปบังกระกรแล้วยังคอยรับมูไปที่ลตัวสองสามตัวก็ได้โดยนําจิตนําใจไม่ตีกันเป็นมูเป็นเพื่อนกันพวกท่านกิหากินทั้งบกเล่าหากินทั้งน้ำทั้งพญาลิ่งเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เพิน่นกระซือวะเน่ะซือสัตว์สุดจริตอยู่แล้วโอ้ยงักคดีแล้วที่เป็นมูเป็นเพื่อนกัน เป็นมิดเป็นสหายกันเนี่ย่ยเราก็ชอบอยู่แล้วแต่เป็นฉาตูคู่อริกันเล่าไม่ชอบแต่เป็นมิตรเป็นสหายกันเนี่ยเราชอบนะเราเป็นมิตรเป็นสหายกันนะัะอย่างนั้นก็เอาผมจะผ้าไปสังเเขาวะมหาแล้วพปแง่รีก็กลืนโดดใช้หลังแขกลงไปขึ้นแขกโรยอังลังอังล่งอังล่างไปไปหอดกลางไม่น้ำบา้านแข่เล่นบพสืเลยได้พราะมันกิดโพซื้แต่ทีแรกเลย ไอ้แช่ก็บอกว่าลิงกระสแต่ไปย่าลิงหู้จับบอท่านทีข้าพเจ้าเอาท่านมาเนี่ยจุดหมายปลายทางเนยคือเมียของขาพเจ้าเนี่ยแพทองอยากกินหัวใจท่านหัวใจลิงหัวท่ า, ทา น, เ, นเพราะนั้นท่านจึงเข้าจึงได้หลอกท่านม า, น า, านเนี่ยแหละเพราะนั้นขาพเจ้าจะได้กินท่านแล้วนะหัวท่านเนี่ยมาเนี่มันก็จมตัวลว่องมาลิงก็จมลงจมลงเกือบเคืองตัววัน เกราอุบายขั้นที่เลยเลิ่งเกะเจง้อกไปพระโพธิสัตว์มีแต่หัวโพขึ้นมาแข่มันอไปมันพอมที่สิงับเรามันเอไปไปโดดไปทางหัวมันก็งับขาเรามันออกไปล่งเลยบอกว่าอ้อเพื่อนมาั่นด้ตามปกตินี่ลิ่ยงนี่เขาพอได้เอาหัวใจสิยุ้ยกับเจ้าของเล้วั่นขั้นเจไว้กับเจ้าของโดดต้นไม้ยิ่งยังไงโดดไปโดดมากกว่หัวใจตกหัวใจล้นเท่านั้นะั่น ตามปกติในริ่งทั้งหลายเนี่ยเขาจะแขวนหัวใจไว้ในต้นใหม่แล้วเขาจะบอกเก็บหัวใจไว้ในจของนั่นแหะแขวนจนแบบเบิงนูนั่นเบิ้งนูนเ บ, งนน บ, งนบิงฟังนู่นะเห็นบอลนะเห็นบอนะแดงอาลามานั่นแะเป็นพวกงั้นนั่นแหะหัวใจริ่งมาท่นน่ะหัวใจกจะละตัวละตัวมันแขวไนไว้สั้นแล้วนั้นันที่จับขาพระเจ้ากิกนกับจับได้แต่ฮาบะไรเนี่ยหัวใจหัวใจคืแขวนไปพูนละแขวนไปต้นใหม่นน มาดแผลแขกับโพไปเพิ่งไปเห็นหมักเดือวยนี่แขนเป็นพ่วงยำยางอยู่แดงอ l ลามคนี้โอ้แมนความริ่งอิริ่ตัวเนี้ตัวนี้ริ่งมันแขนหัวใจไปต้นหมักเดือยมตัวนี้ต้นไม้คุณตัวนั้นโอ้คุณตนเสหายคุณตันคือเมี่ยงของข่าวพเจ้าเนี่ยแพทองอยากจะกินหัวใจลิ่งกันสั่นกับแบงหัวใจให้ด้วยเธอเอ้ยพบไปยั้งมาตัวนี้ขอให้ทรงข่าวพเจ้าถึงทีจะกวนคุณ ข้าพเจ้าจีแบงใหายแล้วท่านเลยท่านเอา้าพอ่อแข่ท่านเลยอย่างได้หัวใจริ่งอยู่แล้วเนาะมันก็เฝ้าไปนะพอพลฟังริ่งกระโดดย่อยขื่นฟังมนะันเลยพญอแริ่งพ่อโดดขื่นไปมันกระสบัดขนเรียบร้อยแล้วเลยบอกว่าเอ้ยแข่งโง่ท่านเลยไพว่าหัวใจริ่งยู่หมองอื่นหัวใจอยู่ตุน่นต้นใหม่กันหัวใจริ่งกระยุ่หัวใจอยู่นนุนาอกมันเอ๋อท่านเลย เจ้ามันสร้างโง่ปัญญ์หนีแถว่าสันนไปสันไปเจ้ามันโง่ปัญญ์ไปอยู่แบบโง่โงของเจ้าซกแขกว่าะสันนิผมมีโอกาสที่ตีกินขาวพระเจ้าดอกกันสันนไปกันนนิขาพระเจ้ารูดแล้วนเจ้านี่จะหักหลังเลากั่สันนิจดเลคเริเร่มมดทางเลยหันหลังไปชูแม่น้ำนี่ท่านเรื่องนี้พิจารณาเบิ่งแล้วตีพันยกเป็นชาติลบคืนมาเนี่ย ก็คือแค่เนี่ยอยากจะกินผู้อื่นขี่ตัวโกหกอยากจะกินผู้อื่นแต่ว่าเร่งเนี่ยโกหกเพื่อเอาตัวหลอดการโกหกบางสิ่มันก็เอาตัวผู้หลอดมันก็เป็นอาหารของแครแท้ๆ อ, นนอันนึงโกหกเพื่อเอาเอาเปียบผู้อื่นแต่พู้หนึ่งโกหกเอาตัวหลอดสรุปแล้วก็คือเมื่อข้าวคับขัน ต้องใช้ปัญญาในในชาดกเรื่องนี้คนนนบอกเมื่อข้าวครับขันให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดจะหาทางออกใดทางไหนถึงจะบ่เสียหายชีวิตของง้าจะลาบลื่นอันนี้ก็คือชาดกเนี่ยพันสอนมาพวกง่าท่านทั้งหลายให้สำนึกให้คิดให้ใช้ปัญญาเหมือนกับลิงกับจระเข้ เจ้ารเคย้ยคิดว่าจีว่างแผนกินกินริ่งกินหัวใจลิ่งองค์หัวใจลิ่งลิ่งก็บอกว่าหัวใจพุ่นแขนอยู่ตน้นหมกเดือะนะยปุนย่นหอยยำยางครับ ม, ม, ม, มันก็แดงอีรีนะวะยังหมักเดือสุกปุ่นที่ชุดก็เลยสู่ปัญญาลิ่งโมไดะนะ้ลิ่งชนะเรื่องพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านสอนให้ใช่แนวความคิดให้ใช่ปัญญาให้ได้เอาตัวรอด ทุกระดับบ่าวายูในระดับใดเอเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าต้องมีอยู่ในระดับผิดไพ่ขึ้กันเป็นฆราวาสญาติโยมเป็นหัวหนา้าส่วนราชการงานเมืองทุกระดับก็มีผิดไพ่ขึ้กันเกิดมาในโลกนี้สรุปเลยมิจะผิดมิจะไพที่จะให้ความจงรักภักดีท่วนนากนนารลาบลื่นไปทุกชิงทุกอย่างเป็นไปได้ยาก เพราะนั้นพระพุทธเจ้าคนยังว่าโลกอันนี้เต็มไปด้วยผิดพลาเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึ่งปราถนาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีหนทางใดที่จะบ่อบเวียนวัยตายเกิดในอีกเพิ่นยังในภาวนาหาหนทางบันเดือนหกเพ่นเพิ่นจึงในบ่มเพ่นอยู่ในป่าจึงหกปีหาหนทาง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 ขันไปเบื่อหมองอื่นนลยเจ้าของยังโกรธยังโกรธยังหลงอยู่มอมีที่สิ้นสุดขันจะเบื่อเบื่อในหัวใจเจ้าของ เ, เล่าเอ้ยอยามาเกิดในโลกนะขันเกิดมากกี่ลอยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติก็จ้องมาพกไม่เจอสิ่งที่ไม่พึ่งปราถนาจังซีละ่ะโอ้โหนั้นเฮ้าควรจะหนีออกจากวัฏสงสารซักย่ามากเบี้ยนวายตายเกิดอีกจึงจะได้จบไปนี่แหละพระพุทธเจ้าพระหรันสาวกเพล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 ไปทำความชั่วจากนั้นกับเขาจับเขาคุกเขาตัวล่างอะไนมเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นก็ทํำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะนั้นอย่าไปทําสิ่งที่มันชั่วความชั่วนัะนคือ เ, เบียดเบียนตนให้ทําแต่คุณงามความดีเมื่อทําคุณงามความดีเลยมีแต่ความสงบร่งเย็นเป็นทุกไปอยู่ใช้ไปอยู่เย็นเป็นทุกขทั้งนั้นถ้าคนทําความดีเป็นพระก็เป็นพระที่ดีเป็นโยมก็เป็นโยมที่ดีไปอยู่ขั่วโลกไหน